ดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วแล้วทายกคือผู้ให้จึงรู้ประมาณไม่ใช่ปฏิคาหกคือผู้รับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะกล่าวไว้ชั่วแล้วดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้วปฏิฆาหกคือผู้รับพึงรู้ประมาณ ไม่ใช่ทายกคือผู้ให้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะกล่าวไว้ดีแล้ว